ปยาปาโดคายะคันโธอีดังสัจจพินิเวสโสกายะคันโธศิละพะตระปรมะสูกายะคันโธตี <c oughs> อ่ะนั่งตามสบายนุบุทนาสวัสดียามเทศการกินเจครั้งนี้เป็นครั้งที่ ห้าสิบห้าเยอ่มกันนะห้าสิบ้านี่กี่ปีแล้วเนี่ยนะออสิบสองสี่สี่สิบแปดสี่สแปดครั้งก็คือสองปีเอสี่ปีโอ้นานนะนี่ถ้าเทียบว่าปีโธดาบันปีละชั้นปีละชั้นใปีแรกโธดาบันปีที่สองธกาธกาปีที่สามมานากา บีนี้มันคนจะเป็นบีทุไทย <laughs> <laughs> เอาระยะเวลาผ่านมาหนึ่งเดือนโลกมันก็มีหลายหลยอย่างนะตอนนี้วิกฤตการณ์โลกทางธรรมชาติก็เยอะขึ้นเพิ่มเยอะขึ้นนะภาวะโลกร้อนก็อ่อนละายมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันน้ําแข็งขั้วโลกออนละลายเพิ่มขึ้น แล้วก็เราก็ได้รับสิ่งใหม่เจอรอยเลื่อนของเปลือกโลกอีกที่หนึ่งที่อะไรอ่ะเขาเรียกที่ประบาดอะไรอ่ะที่มันเชื่อมลงมาจากโนนลงมาจนถึงสีสวัสด์ก็เพิ่งเจอใหม่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกซึ่งทั้งหมดนี่มีแนวโน้อมว่าคือ <c ười> อาจจะต้องเจอกับวิกฤตการอย่างหนัก จากภัยธรรมชาติในอนาคตไม่รู้วันไหนเราก็ต้องเตรียมใจกันไว้นะอย่าคิดว่าเราต้องแก่ตายโดยส่วนเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> ใช่ไหมไมัใจะแจ้งเลยแต่เราก็ต้องเตรียมใจไว้ไม่ประมาทคนประมาทเท่านั้นแหละที่พยายามไม่คิดเรื่องแบบนี้เราคิดเรื่องอย่างนี้เพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริง คนกลัวตายไม่มีที่หนีนะไม่มีที่อยู่อือแล้วก็บอกกรุงเทพเนี่ยอาจจะเจอกับภาวะน้ำท่วมสองเมตรกว่านี่ตั้มาก็นั่งดูที่กุฏิลองวัดดูแล้วนะกุฏิสามชั้นแต่สองเมตรกว่าก็ไปอยู่ชั้นที่สามยังพอถูถยได้ <c oughs> แล้วก็หลายๆเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นมาอย่างทดีความต่างๆ จรงเราก็ได้เห็นตามโลกของโซเชียลว่าอภัยคุกคามมนุษยชาตินี่สรุปแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวภัยธรรมชาติก็ไม่น่ากลัวภัยที่คุกคามมนุษยชาติจริงๆก็คือภัยคือกิเลสกิเลสภัยนี่น่ากลัวที่สุดกิเลสภัยมาเก่อตัวให้เป็นทุกขกับภัยที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาหตทุกิลานาจของกิเลสเนี่ยมันมันทำได้ทุกอย่างเรียกว่าเป็นภัยที่น่ากลัว ภายในที่มืดภายในที่แจ้งภายในที่รับภายในที่สว่างภายก็ ภ, ย, ภยด้านบนภายด้านล่างว่ากินเลสภัยเนี่ยน่ากลัวที่สุดเราจึงเห็นปรากฏการณ์แปลกๆแต่ทีนี้ว่าสาเหตุมันก็มาจากอันเดียวกันนะสาเหตุมันก็มาจากอันเดียวกันทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าสเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายมันเป็นอนัตตา มโนปุพังคมาธรรมมาทำทั้งหลายมีอะไรเป็นใหญ่ฮะเออทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ลองลองคิดดูที่มันใหญ่ได้ยังไงฮะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจมันใจะใหญ่ได้ยังไงอืมทำทั้งหลายมโน ป, ป, ปุพังขมาธรรมมาไปว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวนหน้า เป็นหัวหน้าตรงไหนเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็เรียกว่าสหชาตะปัจจัยส่วนที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นปัจจัยที่เกิดร่วมกับสิ่งทั้งหลายนั้นๆไม่ว่าอะไรมันจะเกิดร่วมด้วยเสมอทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีใจเข้าไปเกิดร่วมด้วยมันก็ไม่เป็นถิ่ง น, นั้นส่วนที่หนึ่งเรียกว่ามันเกิดร่วมส่วนที่สองอุปนิสยปัจจัยก็คือว่ามันสะสมกับสิ่งนั้น เกิดเก็บสะสมไว้สำเร็จด้วยใจเป็นใหญ่ที่ใจแล้วก็มีใจเป็นสภาพถึงก่อนเพราะฉะนทำทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเอยขึ้นอยู่ที่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ใจนี่แหละเพราะนเวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะ เราถ้าเราคิดเราไม่ปฏิบัติเราแค่คิดกันคิดกันไปคิดกันไปคิดกันไปมันไม่จบนะคิดมันให้จบไม่ได้คิดมันให้จบไม่ได้คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วมันไม่จบแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันก็จบมันไปจบที่ไหนเพราะว่าทำทั้งหลายมันอยู่ที่ใจสิ่งทั้งหลายมันอยู่ที่ใจ พระพุทธเจ้าก็เลยตีกรอบไว้ให้ว่าวิธีที่จะศึกษาและปฏิบัติในตามคําสอนของพระเจ้านั้นให้มันไปสุดอยู่ที่ไหนไอ้สุดอยู่ที่ความดับทุกข์จะอะไรก็ช่างเหอะสุดอยู่ที่ความสิ้นทุกข์เราจะคิดอะไรก็ช่างเหอะมาไปสุดอยู่ที่ความสิ้นทุกข์เลยจากความสิ้นทุกข์จะมีอะไรอยู่ก็ช่างมัน แต่ให้มันไปนสุดอยู่ที่ความสิ้นทุกข์เลยจากความสิ้นทุกข์มันจะมีอะไรก็ชั่งมันอะแต่เราเอาเพียงแค่ว่าความสิ้นทุกข์ความสงสัยปัญหาอะไรต่างๆยังมีผู้ไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพิษุทั้งหลายมาปิดคเวปาปังอกุศลังจิตจินตาจินเจตถาว่าพิถุทั้งหลายพวกเธออย่าไปคิดเลยอย่าไปคิดถึงความคิดที่เป็นอกุศลอันเป็นบาปว่าโลโก <c oughs> โลโกสติติโลกมันเที่ยงโลกอาสติติโลกไม่เที่ยงอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงกันนะว่าโลกมันเที่ยงไหมโลกไม่เที่ยงไหมอันตวโลโกอันตวโลกมีที่สุดไหมณอันตวโลโกว่าโลกไม่มีที่สุดไหมโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหยว่าชีวะก็คือจิตเป็นอย่างหนึ่งสรีระนี่เป็นอย่างหนึ่งหรือจิตกับสรีระกายชีวิตนี่เป็นอันเดียวกันหรือไม่เป็นอันเดียวกันคือนั่งคิดถกเถียงกันเนี่ยนี่เป็นเรื่องของความคิดคิดแล้วก็จะหาข้อมูลเกี่ยวพันกับศาสตร์ต่างๆในโลกวันนี้เยอะแยะมากมายแต่มันไปไหนอ่ะมันไม่ไปถึงความสิ้นทุก อันพระเจ้าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาชาตินี้มีชาติหน้าไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดเนี่ยโหติตาท่ากัโตโหติตาท่ากะโตป ร, รังมรณาว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเกิดอีกก็มีอ นาโอติตทากะโตปรมรนาสสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วไม่เกิดอีกก็มีนี่ความคิดนะความคิดแล้วก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาความคิดพวกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปาปักกังอกุสลังจิตตังหมายความว่าเป็นความคิดอันเป็นบาปมันเป็นอกุศลเพราะอะไรเพราะว่านาทิพระมัจจริยา มันไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ณอัตสันหิตาเป็นความคิดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นความคิดที่ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นความคิดที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นความคิดที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธหรือเพื่อความรู้ยิ่งหรือเพื่อพระนิพพานเลยแม้แต่น้อย ความคิดพวกนี้นี่เราจะเอาใจของเราเอาชีวิตของเราไปเกาะเกี่ยวอยู่กับความสงสัยกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าแล้วถ้าแล้วเราควรจะคิดยังไงจะจะคิดนะถ้าจะคิดนะพระเจ้าว่าควรจะคิดอย่างไรพวกเธอควรจะคิดว่าอีดังทุกขขัง จินเตยยถาพวกเธอพึงคิดว่าอันนี้ทุกเพึงคิดว่าอัยังทุกขสมุติโยติจินเตยถาจินเตยยถาว่าพวกเธอพึงคิดว่าอันนี้คือเหตุของความทุกขออยยังทุกขะนิโรโธติจินเตยถาว่าพวกเธอพึงคิดว่าอันนี้คือความดับทุกพวกเธอพึงคิดว่าอันนี้คือทางให้ถึงความดับทุก ตังกิตสาเหตุเพราะอะไรถึงให้คิดอย่างนี้เพราะการคิดอย่างนี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์อัตสันนิจจะเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไปเพื่อวีราคะเพื่อนิยโธดและเพื่อพระนิพพานได้ให้คิดอย่างนี้ตัสมาติหาพิเกเวภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอ อายาอีดังทุกขันติการนิโยเธอพึงทำความเพียรเพื่อความรู้ว่านี่คือทุกข์เธอพึงทำความเพียรเพื่อความรู้ว่านี่คือเหตุให้เกิดทุกข์เธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี่คือความดับทุกข์เธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี่คือความไม่ถึงทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นของพระเจ้านะวันจะว่าเรื่องโลกคิดจะเรื่องโลกเรื่อง โลกแตกโลกไม่แตกโลกมีที่สุดไหมมีมีที่สุดไหมอะไรต่างๆคิดเรื่องพวกนี้นะมันก็คิดได้ใช้งบประมาณใช้ทุนใช้การวิจัยไปเยอะมากแต่สำหรับพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธศาสนามันไม่ใช่จุดไม่ใช่ทางทางของพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าให้คิดให้คิดเหมือนกันแต่ให้คิดไปจนถึงสุดที่ว่านี่คือทุกข์ เพราะฉะนั้นจะมีคําถามความสงสัยใดๆก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องมีจุดของคําว่าพุทธศาสนาจะมีความสงสัยความคิดอัในใดก็ตามสุดท้ายเราต้องมีจุดของการศึกษาพุทธศาสนาจะมีการศึกษาจะมีการสงสัยหรือความคิดใดๆก็ตามสุดท้ายเราต้องมีจุดของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะังพุทธศาสิกชชัดเจนนะ ที่ทางทุกขังทุกขันติกรโยเธอพึงทาความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์งั้นถ้าเราคิดเราเคยได้ยินที่เขาคคิดระหว่างจิตรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เราบอกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเราเคยได้ยินเขาบอกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วนักคิดทั้งหลายก็ถกกันตัวนันพันเป็นอัตตา บางคนเขบอกว่านิพพานเป็นอนัตพระพุทธเจ้าตรัว่าสเพธมาอนัตานิพพานเป็นอนตาแต่มีบางคนบอกว่านิพพานเป็นอัตตาแล้วเราก็ตกเถียงกันออกมาตกเถียงกันโอ้ขึ้นรงขึ้นศาลแบ่งขวักแบ่งควายขัดแย้งทะเลาะ ก, กันเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาคําพุทธเจ้าคําพุทธเจ้าเป็จุดมันจะเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาไม่รู้แต่ขอให้มันเป็นไปสุดอยู่ตรงที่ความสิ้นทุกข์ หลังจากสิ้นทุกข์แล้วไม่มีทุกข์แล้วหมดทุกข์แล้วมึงจะเป็นหาแล้วก็เป็นกันเถอะอ้าใช่ไหมเมื่อความสิ้นทุกข์เมื่อความสิ้นทุกข์ทุกกัดท่านตังค์อเมื่อความสิ้นทุกข์พอถึงความสิ้นทุกข์แล้วพระเจ้าบอกว่าวิอยาณะทัศนะรู้เห็นวิมุตติยานศานะ เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสคือพ้นจากทุกพอหลังจากนั้นแล้วมันจะไปไหนอ่ะจะมีอะไรจะมีอะไรก็ช่างเหอะมีเหอะมีไปมีไปแต่เราจะต้องมีกรอบของความเป็นพุทธของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความสิ้นทุกขเพราะความทุกขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่เอากันใครก็ไม่เอาถือศาสนาไหนก็ไม่เอา ไม่อยากได้ทุกที่ดิ้นรนกันทุกวันนี้เพราะว่ามันอยากได้สุขอยากหลุดออกจากทุกใช่ไหมมันอยากได้สุขมันอยากหลุดออกจากทุกไม่อยากความไม่อยากเจอความทุกขไม่อยากต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นทุกเพราะฉะนั้นมันเลยมันเลยมีจุดที่ชัดเจนของพุทธเราของศาสนาพุทธโดยพระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้วว่ามันจะไปสุด ดูที่ความสิ้นทุกเลยจากความหมดทุกแล้วเลยจากความสิ้นทุกแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างเอะเออแต่ขอให้ถึงความสิ้นทุกก่อนอ <c oughs> อย่างก็บอกว่ารู้กับสิ่งที่ถูกรู้เหมือนเมื่อกี้นี่ก่อนกาลังฉันนี่คุยกันอยู่อะรู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยพูดเคยคิดกันเคยตั้งคิดอนุมาเโาตามความคิดแต่้าคิดแล้วมันก็ไปเรื่อยนะเพราะว่าเออ ถ้าสิ่งรู้สิ่งที่ถูกรู้เป็นอนัตตาสุดท้ายรู้นั้นก็เป็นอนัตตาและอะไรล่ะที่ไปรู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตาก็รู้อีกอและอะไรล่ะที่ไปรู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตาก็รู้อีกก็เป็นอัตตาอีกมันคือมันคิดเอาไงและอะไรล่ะที่ไปรู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตาเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้เป็นอนัตตาหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงเหลือแต่รู้รู้ที่รู้รู้ที่รู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้เป็นอนัตตารู้นั้นเป็นอัตตา ไอ้รู ideas, so, wave, right? oh, ้นั้นเป็นอนัตตาอีกมันก็ต้องมีอัตตาสําหรับที่จะมารู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตาแล้วก็จะต้องเอ่อรู้ที่รู้ที่รู้ว่ารู้เป็นอนัตตามันก็เป็นอนัตตาอีกก็ต้องมีรู้ที่รู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตาอีกใช่ไหมอ้าตามทันไหมเออพอเป็นอนัตตาอะไรจะรู้ว่าอะไรล่ะที่รู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตาก็รู้อีกเอารู้นั้นก็เป็นอนัตตาอีกเอาอะไรล่ะที่รู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตาก็รู้อีก แล้วอะไรล่ะที่รู้ว่ารู้นั้นเป็นนาตาก็รู้อีกอ้าตายหาแล้ว <c oughs> ถ้าคิดนี่คือคิดใช่ไหมนี่คือราคิดเนาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไงมึงจะไปถึงไหนก็ไปเหอะโ <c oughs> อแค่มึงสิน <c oughs> ส้นทุกวิมุตติยานาทัศนาหมายว่ารู้เห็นซึ่งการที่ใจพ้นจากกลคือมัน ร, รู้บาถึงความพ้นทุกข์แล้วจบ <c oughs> ของความเป็นพุทธขี่นั่งชาติ ชาดสิ่ง f r o m ริยังวุสิตังพรม m a รยังพรม m จันท์จบกระตังกรณียังกิตที่จะต้องทำจบแล้วมันจะจบไหมล่ะเนี่ยแบบพระพุทธเจ้าแต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะคิดอะไรก็ช่างพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามาเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็อย่าไปคิดเลย อย่าไปคิดเลยแต่เมื่อเราจะต้องคิดขอให้คิดไปถึงเรื่องของอะไรให้คิดไปเพื่อให้มันเกิดความรู้ว่านี้คือทุกข์ให้คิดไปเพื่อให้มันเกิดความรู้ว่านี้คือเหตุของความทุกข์ให้คิดไปถึงเรื่องที่ว่าให้เกิดความรู้ว่านี้คือความดับทุกข์ให้คิดไปถึงเรื่องที่ว่านี้คือทางให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นคิดไปเพื่อให้เกิดความรู้สี่เรื่องนี้แหละ เป็นเรื่องที่ควรคิดใช่ไหมใช่่ะเออเพราะเป็นเรื่องที่ควรคิดพระพุทธเจ้าบอกคิดอย่างนี้เป็นอัตตาสันขีตามันเป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นอาธิพรมจริยาเป็นเบื้องต้นของพรหมจา ร, ร์อืมเป็นความคิดที่นิพพานายะสังวัตติเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน เพื่อผลีพันก็คืออะไรเพื่อความสิ้นทุกอ <laughs> ั่นนะเพราะฉะนั้นชัดเจนคําสอนของพระเจ้ามันไม่ใช่ไปโมเมลโมเมลวเราจะได้ยินคนที่ถกเถียงกันพวกนักคิดทั้งหลายเลยนี่อนักคิดทั้งหลายก็เลยโอ้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เราเราที่เราปฏิบัติกันมาอาจมาก็สอนให้ความบ่อยๆใช่ไหมรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ทีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติอะเราคิดออา嘛 ไอสิ um, <fallen> mm. ่งที่ถูก you ร know ู yes, you know. ้นี้มันเป็นอันเป็นอนัตตาอะแล้วทำมายังไงต่อไปอะรู้ที่รู้สิ่งที่รู้รู้นั้นก็เป็นอนัตตาและอะไรล่ะที่ไปรู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตาอราก็รู้อีกและอะไรหล่ะไปรู้นั้นแล้วรู้นั้นทําอะไรสถานะของรู้แต่ละตัวสถานะของรู้นั้นเป็นอย่างไรมันก็เป็นอนัตตาและอะไรหล่ะที่ไปรู้ว่ารู้นั้นเป็นอนัตตก็รู้อีกใช่ไหมล่ะมันก็ไปอย่างนั้คิดไปแล้วไปเรื่อยเอะไปเรื่อยมันไม่มีที่สุด แต่จุดขอบของพระพุทธศาสนาชัดพระพุทธเจ้าตรัสแล้วไปสุดอยู่ที่ไหนทุกข์กัดสันตังไปสุดอยู่ตรงที่ความสิ้นทุกข์จะรู้อะไรก็รู้ไปเถอะสุดท้ายไปสุดอยู่ที่วิมุตติแล้วก็เกิดเป็นรู้ว่าวิมุตติญาณทัศนะเกิดรู้ความเกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจมันพ้นจากทุกข์แล้วก็จบนะมันจะไปรู้อะไรนอกเหนือจากนั้นนรู้ไปไปรู้ไปรู้เอา มันไม่ทุกแล้วผลนทุกแล้วเพราะฉะนั้นภัยใหญ่ของเราคือทุกภัยใหญ่ของเราคือทุกเพราะฉะนั้นการเข้ามาสูส่เรื่องนี้เนี่ยมันหมายความว่าที่ทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าถ้าจะสิ้นทุกอะไรเป็นหัวหน้าใจใจแล้วใจอะไรเป็นใหญ่ใจแล้วอะไรเป็นตัวที่ให้เกิดความสาเร็จก็คือใจแล้ว ก็คือใจแล้วไม่ใช่อย่างอื่นแล้วเราก็เราคิดว่าขันห้าสมมติว่าเราพูดกันถึงเรื่องว่าขันห้าขันห้านี่มันใช่ใจไหมขันห้ามีอะไระเหมือนทบทวนกันหน่อยสิหนึ่งรูปสองสามสี่ห้าขันห้าก็คือชีวิตเรานี่ใช่ไหม ชีวิตหนึ่งชีวิตก็คือขันห้าย่อให้เป็นหนึ่งก็คือชีวิตย่อเป็นสองก็คือกายและใจย่อเป็นแยกออกไปเป็นห้าก็คือขันห้าขันห้านี่เป็นอะไ ร, รปเป็นรูปเป็นนามใช่ไหมอืมเอาแลใจอยู่ตรงไหนอ่ะฮะขันห้าที่เป็นนามก็คือ ใจใจตรงคือตรงไหนอ่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเราเคยได้ยินจิตเจตสิกรูปนิพพานไหมเคยได้ยินไหมที่เขาเรียกว่าอภิธรรมมันก็เรื่องราวของขันั่นนี้เพคะเออก็เรื่องราวขันั่นนี่แหละจิตเจตสิก รูปนิพานจิตเจตสิกก็คือนามรูปก็คือรูปเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารเห็นไหจิตก็คือวิญญาณมันก็คือขันธ์้านี่ทนพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่า สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาความทุกข์ที่เรากลัวกันนักกลัวกันหนาแท้ที่จริงอ่ะมันอยู่ที่ไหนอะความทุกข์มันอยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นในขันทงาเนี่ยอุปาทานขันไม่ใช่ขันห่านะไม่ใช่ขันห่านะความทุกข์คืออุปาทานขันคือการยึดมั่นถือมั่นในขันทง่าเพราะฉะนั้น อะไรเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นในขันธัง 5, มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจาาเพราะฉะนั้นใจนี่มันจึงเป็นใหญ่ทั้งรูปจิตเจตสิกเป็นใหญ่ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณมันเป็นใหญ่อยู่ในนั้นหมดอ่ะแล้วก็เป็นหวัวหน้า การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันคลายอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าและมันก็จะพ้นทุกข์พอมันพ้นทุกข์แล้วจากนั้นมันจะมีอะไรก็ช่างมันเถอะใช่ไหมไม่ต้องมาเถียงกันแล้วพระพุทธเจ้าเอาแค่นั้นเอาแค่พ้นทุกข์โดยประการตั้งพวงไม่ทุกข์แล้วก็จบ จบแล้วของพุทธศาสนาใครจะมาเก่งกว่านั้นก็เอากันไปเลยจากนั้นก็จะมีอะไรก็ว่ากันไปก็ไปเถียงกันเอาของเราไปสุดอยู่ที่ความสิ้นทุกเพรา ะ, ะมันต้องชัดเจนนะทันการที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยดังทุกขันติกรณีโยพระเจ้าบอกว่ามันเป็นการประกอบความเพียรเพื่อให้เกิดความรู้ว่านี่คือทุก เราประกอบความเพียรเพื่อให้เกิดความรู้ว่านี้คือเหตุของความทุกข์เราประกอบความเพียรเพื่อเกิดความรู้ว่านี้คือทางคือความดับทุกข์และนี้คือทางให้ถึงความดับทุกข์เมื่อจิตมันเกิดความรู้สึกยอมรับวันนี้คือทุกข์มันเข้าใจจริงๆวันนี้คือเหตุของความทุกข์มันเข้าใจจริงๆวันนี้คือความดับทุกข์มันเข้าใจจริงๆวันนี้เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์มันจบเรื่องอมันจบเรื่อง ไอ้นี่เรามันเหมือนเข้าตมัดมันเหมือนข้าตมมัดที่มันถูกรัดรึงอยู่มันถูกรัดให้อยู่ในกรอบของอำนาจของยิเลศมันเป็นอิสระไม่ได้โลกของเราประตูของความอิสระภาพของเรามันเปิดไม่ออกในเบื้องต้นเหมือนบาลีที่ธรรมาได้ยกมาเป็นหัวข้อวันนี้ว่าอภิชาตายักคันโถ พยาปาโดกายคันโถอีทังสัจญาพิเนเวสโสกายะคันโถสีลับพัตตะปรมาสโสกายะคันโถมันเราไม่เหมือนข้าวต้มข้าวต้มมัดอ่ะที่มีเส้นมัดอยู่สี่เส้ น, นก็ดีนเงินอยู่ในนั้นอ่ะอำนาจแรงปรารถนาของเราที่มีหนูจินจพื้นลึกลึ ก, ลกในความปรารถนาเนี่ย ทั้งองอาตมาเองทั้งของโยมที่นั่งฟังอยู่ความปรารถนาของเราคือพอสืบสาวถ้าเบื้องต้นจะถามอ้าวลุกขึ้นยืนซิสมมุตินะไม่ต้องยืนนะสมมุติลุกขึ้นยืนสิสมมนไห น, นะ น, น, น, นลองบอกความปรารถนาของตัวเองสิโอโหอาจจะเยอะมากคนคนหนึ่งนะเยอะมากเอาอีกคนหนึ่งดูสิโตเยอะมากเอาถามพระพระก็ยอะพูดไปเรื่องความปรารถนานี่เยอะเหลือเกินแต่สุดท้าย ในความปรารถนาทั้งหมดนั้นมันจะไปสรุปลงตัวเดียวกันก็คือว่ามีความปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์มีความปรารถนาที่จะมีแต่ความสุขนั่นความปรารถนาเหมือนกันด้วยความปรารถนานี้ด้วยความปรารถนานี้มันจึงเกิดเป็นเส้นรัดรึงที่พระเจ้าเรียกว่ากายะคันโถคือเครื่องรัดรึงชีวิต ด้วยแรงปรารถนานี้มันจึงเกิดเครื่องรัดรึงชีวิตที่ชื่อว่าอภิชากายะคันโถ ổ. แล้วก็จะติดอยู่ในร่างความปรารถนาเนี้แล้วมันจะเกิดความคิดความเข้าใจเป็นความเชื่อขวังลงไปในในเชื่อของวิญญาณของเราของจิตวิญญาณของเราว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น มันก็เลยยิ่งแน่นขึ้นถูกรัดที่แน่นขึ้นแน่นขึ้นมันเปิดออกไม่ได้ชีวิตเราทั้งชีวิตเราเลยตกเป็นทาสของแรงปรารถนาอันนี้มันทำให้เราเกิดการดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนาด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสุขด้วยความรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์ทั้งๆ ท, ที่มันทุกข์มันก็เลยกลายเป็นว่าเราวิ่งเข้าหาถ่านไฟ ที่แด้งๆอยู่ด้วยความที่ไม่ต้องการความร้อนความไหม้มือความแผดเผาของไฟวิ่งเอามือเข้าไปฟ้าทะยานเข้าไปหากองไฟแล้วก็กอบกองไฟนั้นดึงเข้ามาเป็นของตนด้วยปรารถนาแรงปรารถนาที่ว่าไม่ต้องการความแผดเผาจากความร้อนและต้องการ ความเย็นเอ่อมันจะได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้ก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นโทษของมันทิ้งมันไปแล้วก็สแสวงหาใหม่ไฟฟ้าใหม่แสวงหาใหม่ไฟฟ้าใหม่แสวงหาใหม่ไฟฟ้าให ม, ม่จนกลายเป็นเส้นรัตรึงชีวิตทุกขณะของการเคลื่อนไหวชีวิตมันจึงมีแต่แรงขับเคลื่อนด้วยอํานาจของความปรารถนาและก็สะแสวงหาอันนี้เรียกว่าเส้นเส้นเส้น รัดรึงเส้นที่หนึ่งพราะมันมีเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็มีขึ้นมาเป็นตามปกติเพราะไม่มีพราะมันมีสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วไม่ตรงกับเรื่งที่ปรารถนาแล้วมันก็เลยเกิดความอะไรหุดหิดปฏิกะเกิดความไม่ชอบใจมันจึงมีเรื่องที่ไม่ชอบใจเยอะมากไอ้ไอ้เรื่องที่ไม่ชอบใจนี่นะมันไม่ใช่เกิดจากข้างนอกคือมันมีจออยู่ข้างในแล้ว มันเป็นประตูอยู่แล้วมันเพียงแค่ไม่ได้ล็อกกุญแจไว้เป็นประตูดิ่งติ่งหับครับไว้หับไว้ปิดไว้พอมีสิ่งที่มากระทบอ่ะมันมาโดนประตูนั้นเข้ามันก็เกิดความไม่พอใจเกิดความไม่พอใจความไม่พอใจเกิดที่ไหนเกิดที่ใจใช่ไหมเออความไม่พอใจเกิดที่ไหนเกิดที่ใจความไม่พอใจเกิดที่ไหนเกิดที่ใจแต่ว่าเวลาเราไม่พอใจเราไปโทษอะไรอะเราไปโทษอะไรไปโทษข้างนอก โทษแม่โทษพ่อโทษพี่โทษน้องโทษสามีโทษภรรยาโทษเพื่องโทษหมาโทษแมวโทษหมดโทษแมงดาบโทษโทษไปเรื่อยอ่ะโทษไปทั่วโทษทั้งโลกอ่ะทางทั้งที่ไอความไม่พอใจนี่มันอยู่ที่ใจนี่มันเกิดบ่อยไหมมันเกิดเรื่อยอ่ะมันเกิดเรื่อยจนกระทั่งมันรัดรึงชีวิตของเราพระเจ้าเลยเรียกว่าอันนี้เรียกว่าพยาปาโถกายะกันโถ สองเส้นแล้วรัดรึงเราอยู่สองเส้นแล้วไอ้แค่นี้พอไหมมันไม่พอเนี่ยมันยังมีอีกนะมันน่ากลัวกว่านั้นอีกนะเส้นต่อมาอีทางสัจจพิเนเวโสกายกาคันโธเครื่องรัดรึงคือการเข้าไปยึดถือความเห็นว่าสิ่งนี้จริงไอ้ฟังดูมันน่าดีนะไม่ค่อยได้ยินคานี้ใช่ไหมอีทางสัจจพิเนเวโสเนี่ยแปล ว, ว่า การยึดมั่นถือมั่นในความเห็นที่ตนเห็นว่าสิ่งนี้จริงถ้าฉันเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวอดเดทินขาดมันต้องเป็นอย่างนี้มันมาจากไหนมันมาจากแรงปรารถนามาจากความไม่พอใจมาจากสองสองเส้นแรงกันสองสองเส้นที่ที่แล้วเนี่ยที่มันบ่มเข้ามา จนมันอาจจะเกิดมาจากประสบการณ์เป็นประสบการณ์จนเกิดมีความเชื่อขึ้นว่าเพราะเราเห็นอย่างเี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เันนี้อันนี้อีกเส้นหนึ่งที่มันรัดรึงและเราจะเลยสังเกตเห็นว่าคนบางคนนี่ก็พูดตรงตรงว่าอย่างตามวัดเนี่ยพระที่อายุมากๆ เป็นข้าราชกา ร, กรเกษียณอายุบางวัดถึงขนาดปิดเลยเพราะอะไรเพราะพอตอนที่มีอํานาจเป็นข้าราชการอยู่วันเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นบอสเป็นมีลูกน้องสั่งการอย่างนั้นอย่างนั้นมันบน่นบม่มเพราะมาจนต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจสภาพไหม แต่พอข้ามาบวชแล้วไม่ใช่แล้ววินัยของผู้เจ้ามันมันต้องมานับหนึ่งใหม่ไม่พร้อมสําหรับที่จะมาใช้ชีวิตอะไรแตะไม่ได้แตะไม่ได้แตะไม่ได้บางคนถึงขนาดที่จะแก้ไขวินัยที่ผู้เจ้าวางไว้แล้วสองพันกว่าปีนะเพราไม่ถูกใจตัวเองตัวเองเห็นตัวเองเห็นว่าเห็นว่าเนี่ยไปบิณธบาติเนี่ยโอ้ยนี่มันโลกนี่มันสมัยไหนแล้วก็พัฒนาปรับปรุงกันไปถึงสมัยไหนแล้ว คนก็อุย้ยคนก็ต้องใช่รองเท้าเพื่อออกบินเทาบาตมันต้องแก้แล้วไอ้ไม่สวมรองเท้าก็ีิต้องยกเลิกมันต้องแก้วันไหนมาเดินไปถึงกระเบื้องตำจีดมาหน่อยเดียวนะตามเท้ามามัน อ, อยู่โบูหูมากโบูหูแบบ <c oughs> ออนนีตท่านพ อ, อ, อท่านโบโหูมากเลยถึงถเป็นผมนะผมจะแก้มหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องแก้แก้แก้แก มันสองพันกว่าปีแล้วไม่แก้ได้ยังไงเนี่ยไอ้พวกนี้อีทางสัจจพินิเวโสาวกายะกันถูกทั้งนั้นลึกมากแล้วก็เป็นปัญหาเพราะใครเข้าไปพูดอธิบายไม่ได้นะจนเราต้องก็ไปจับบาเอพุทธศาสนาเกิดมา ก, กี่ปีสองพันกว่าปีใ้สมัยนั้นมีฟุตบาทได้เดินป่ามีฟุตบาทได้เดินไหมมีถนนลาดยางให้เดินไหมมีคอนกรีตให้เดินไหม ฮะไม่มีครับเขาวางระเบียบข้อนี้ไว้ตั้งแต่ความลําบากมันเยอะมากปัจจุบันนี้มันพัฒนาให้เกิดความสบายสบายสบายและมันจะมาแก้อะไรกระเบียบเขาวางระเบียบข้อนี้ไว้ตั้งแต่สมัยที่มันมีหนามมีเสี้ยนมีอะไรเต็มไปหมดบนเส้นทางเดิน โอ้ยปัจจุบันนี่ดีไปเช้ามีเจ้าหน้าที่กอมมากวาดให้ก่อนเราไปเดินอีกนะโอ้โหพระนี่ก่อนเราออกไปเดินนีมีเจ้าหน้าที่กอมกวาดไอ้นี่อ้ํแต่มันเป็นซอกซอกเล็กๆอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะก็ถือเป็นเวรกรรมไปนิดๆหน่อยๆกันอันนี้คืออะไรอีทางสัจจะพิเนเวสูเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูกจะเป็นประเด็นปัญหาคือ พ่อแม่จะเป็นปัญหาต่อลูกลูกจะรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นปัญหาอย่างนี้และพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดอยู่เรื่อยนี่มันมีพ่อแม่ลูกอยู่ไม่ได้ว่ากระแทกนะเดยยกตัวอย่างให้ฟังเราจะได้เราจะได้คิดคือบางครั้งเราไม่ได้ถูกเสมอไปเราจะไปยึดในความเห็นของเราอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เพราะเรายึดปั๊บมเกิดความขัดแย้งมันก็เป็นอีทางซาจาริเนเวโซ มันก็รัดดึงกงนทุกคนนะสุดท้ายศีลพัตะปรมาโสกายขันโถไอ้เครื่องรัดดึงข้อนี้อีกตัวหนึ่งที่มันรัดดึงใจของเรานะก็คือการรูปคลัมศีลลดข้อวัดปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีรวมหมดแหละแม้กระทั่งการสมาทานศีลก็ได้เพียงแค่การรูปคลัม ไม่ได้เข้าไปถึงเนื้อของศีลหรือแม้แต่ตั้งแตศการกินเจการกินเจมังสวิรัติรำเนียมประเพณีปฏิบัติอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราเข้าไม่ถึงเนื้อเขาเข้าไปได้เป็นแค่การรูปคล้ำแล้วเอาความรูปคล้ำนั่นแหละมาโขมกลับมาหาตัวเองรัดดึงตัวเองว่าเราเก่งเราดีเราแน่เราถูกเราทําถูกแล้วอพอไป พ, พอคิดอย่างนี้ปั๊บมันก็มีย้อนกลับไปว่าไอ้ น, นั่นไม่ถูกไอ้ น, นั่นผิด นั้นไม่ได้ไอ้นนท์ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ถูกต้องนี่ต้องทําใหม่โอ้โหเรื่องเยอะมากเลย <c oughs> ด้วยความคิดว่าตัวเองถูกหมดแล้วเนี่ยมันเลยกลับไปบอกว่าไอ้คนนี้ผิดนั่นไม่ถูกนั่นต้องแก่นั่นต้องปรับปรุงนั่นต้องอย่างนั้นนั่นต้น อ, อย่างนี้นั่นต้องอย่างโน้น โ, โ้เรื่องเยอะมากอันนี้เครื่องรัดรึงเพราะว่ารัดรึงเราแล้วเราก็เป็นอาการดังที่กล่าวนะดังคลิกล่าวท่านพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราลอยตัว นี่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะให้เราลอยตัวออกจากเครื่องรัดรึงนี้จ้าก็แรกอภิชาคไกยกั น, กนโถนเนี่ยให้เราลอยตัวออกจากแรงปรารถนาอันนั้นพยาปาโดไกยกั น, กนโถนให้เราลอยตัวออกจากพยาบาทพอลอยตัวออกจากพยาบาทแล้วมันตอนตตอนมีพยาบาทรัดรึงเราอยู่เนี่ยมันพร้อมจะมีเรื่องใช่ไหมอะไรมันกระทบกับมันพร้อมมันพร้อม ม, อ ม, มีมีประตูความไม่พอใจตั้งอยู่ โดยเฉพาะพวกอายุรุ่นรุ่นเราเนี่ยนะเนี่ยรุ่นรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้ตัวดีเลยตัวเนี้มันพร้อมจะเปิดแล้วนะเนี่ยแต่มันจะเปิดกับคนในครอบครัวนะบางวันไม่ค่อยเปิดกับคนนอกเพราะคนนอกมันมีเหตผลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในครอบครัวในครอบครัวในภรรยาในสามีในลูกในหลานในในพี่น้องในพ่อแม่ในคนที่บ้านอะไรเงี้ยมันพร้อมที่จะเปิดทีนี้ถ้าเราลอยตัวออกมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรพร้อมใเนีหยมันพร้อมที่จะอภัย เป็นอัปยาปาโดกายะกันอ่าอัปยาปาโดแล้วมันพร้อมที่จะอภัยแล้วมันอภัยแล้วตอนไอ้ดั้นอยู่นี่นะพอข้าบ้านโอ้โหมันเกลียดเก่งมากเลยอะแบบหือจ้องเลยแหละไม่เป็นความความบ่มเพาะของอาการที่ใจเขาเราถูกบ่มเพาะด้วยอํานาจของกิเลสมันนานมาก มันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะพระพุทธเจ้าเพียงแค่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญพิเศษผู้เชี่ยวชาญพิเศษเรื่องจิตเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องของจิตที่ดำเนินไปจนจมอยู่กับทุกข์อ่ะพระพุทธเจ้าจะเชี่ยวชาญมากที่สุดไม่มีใครเทียบได้แล้วก็สามารถบอกวิธีสอนให้ยกจิตออกจากความ ทุกอย่างนี้ได้ เ, เขาจึงเรียกพระองว่าเป็นพระพุทธเจ้ามันความคิดของเรา เ, เราจะคิดอะไรก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้หันมาคิดนะให้มันมาคิดว่านี่คือทุกข์เอานั่งนั่งอยู่เนี่ยนั่งคิดเรื่องอะไรก็ได้นั่งคิดอย่างนั้นนะพอมันปวดมันเจ็บนะัอ๋อไอ้นี่อะทุกข์พ อ, อไอ้นี่อะทุกข์จบไหม จบไปหนึ่งเรื่องเลยแหละจบไปหนึ่งเรื่องเลยคิดถึงทุกคิดถึงเหตุของความทุกคิดถึงความดับทุกคิดถึงความทางไงถึงความดับทุกนี่มันจะนําไปสู่ความสิ้นทุกข์การบําเพ็ญเพียรภาวนาของเราไม่ว่าจากการจะรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนากังเทศกังทำเนี่ยเนี่ยยอมยมสังเกตเนี่ยโยมาใหม่อ่ะนะ อนี่โยมสังเกตเห็นนะนั่งสีห้านาทีเนี่ยแปบ๊บเดียวมาแล้วเพราะมันทั้งก้อนเนี้คืออะไรทั้งก้อนนี้คืออะไรก้อนทุกข์ <c oughs> พราตั้งอยู่เฉยๆมันก็โผล่ออกมาตั้งอยู่เฉยๆมันก็โผล่ออกมาตั้งอยู่เฉยๆมันก็โผล่มาทำไมมันโผล่อะไรโผล่ทุกข์โผล่ทําไมมันโผล่อะเพราะมันเป็นก้อนทุกข์พราะมันก้อนทุกข์อะไรจะโผล่ละ่ะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรโผล่ใช่ไหม นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรโผลทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นที่โผล่ออกมาอมืแล้วก็ไปคิดกับมันได้แต่การคิดตามเขาคิดตามที่พระเจ้าอ่ะทีนี้เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างไรเพื่อใจของเราเนี่ยพระ้าบอกว่าให้มันรู้ไปเถอะบอถึงความสิ้นทุกข์จบของเราอเราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมอ่ะ เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติไปเถอะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนจะทําให้เรายิ่งเชื่อพระพุทธเจ้ามากขึ้นศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าจะเกิดกับเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมันจะไปจบตรงไหนไปจบตรงที่ความสิ้นทุกข์แค่เรารู้สึก ว่าเราปฏิบัติตามแล้วมันมีผลมาให้กับเราระดับหนึ่งความเชื่อในพระพุทธเจ้าของเราก็แน่นแฟ้นแล้วเป็นขนาดที่เรียกว่าไม่ไปยาบายแล้วเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องพระพุทธศาสนามันจะต้องรู้ที่จะต้องประกอบไปด้วยอะไรอาชิตมนุผูกคำถามในใจถามพระพุทธเจ้า ถามว่าอะไรเป็นศีรษะอะไรเป็นธรรมที่ทําให้ศีรษะนั้นตกไปผูกําถามในใจนะถูกคาถามในใจถามพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบออกมาเป็นเสียงอวิชชาอาวิชชามุตธาติวิชานะฮิท่านจงรู้ไว่าอาวิชชาเป็นเหมือนกับศีรษะ คือพระเจ้าอยู่ๆก็พูดออกาเป็นเสียงแต่ไอีคนที่ถามมาผูกในใจถามเพื่อทดลองทดสอบลูกศิษย์ของพราหม์ภาวรีทีนี้อวิชชาจงรู้ว่าท่านจงรู้ไว้ว่าอาวิชชานี่เป็นเหมือนศีสักวิชามุทธาติปาตานีหมายความว่าส่วนวิชาวิชามุทธาติปาตานีสัทธาสติสมาธิมหิเอสัทธาสติสมาธิหิต ฉันทะวิริย์นัสังยุตตาวิชาคือความรู้ส่วนวิชาคือความรู้ที่ประกอบด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะวิทยะเป็นธรรมเครื่องยังศีรษะให้ตกไปเพราะนั้นจากจากพ ร, ระพุทธพจน์ที่ทรงตอบระษาที้ว่าวิชาคือความรู้ ที่ประกอบด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะวิริยะนั่นจึงเป็นความรู้ที่จะดำเนินไปสู่ความสิ้นทุกข์ความรู้ที่ประกอบด้วยความเชื่อความรอบคอบความมุ่งมั่นความตั้งใจความพอใจ บากบันนี่จึงจะชื่อว่าความรู้ในที่นี้ที่จะดำเดินไปสู่ความสิ้นทุกเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างเดียวพอบอกว่าเอา้าฮีริอะไรจับโทรศัพท์กดกูเกิลฮีริโอแปลว่าความละอ้แก่ใจจบมันขาดอะไรความรู้นี้ขาดอะไร ความรู้นี้ขาดอะไรขาดศรัทธาขาดสติขาดสมาธิขาดวิฉันทะขาดวิริยะใช้ได้ไหมมันแค่ตอบแค่นั้นแหละแต่มันใช้ไม่ได้สติคืออะไรอจับโทรศัพท์ ก, กดกูเก l e สติถามอากูงั้นนะ่ะเดี๋ยวนี้อยู่ได้กันกูสติแปล ว, ว่าความระลึกได้คือระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดโอเคจบพอใครถามสติแปลว่าอะไรตอบปุ๊บ ตอบได้ความรู้ที่ตอบได้นี่มันขาดอะไรขาดศรัทธาสติสมาธิฉันทะวิรยิยะไอ้ศรัทธาสติสมาธินี่มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากอะไรอืม ความรู้ที่เรารู้แล้วเราเชื่อในความเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องในความที่มันเป็นอย่างนั้นมั่นคงหนักแน่นในความเป็นอย่างนั้นแล้วมีอาการใจที่มันน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นมีการบาก บ, บั่นในความเป็นอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องนั่นแหละอยู่กับความรู้เพราะฉะนั้นฮิริเ <ME> มื่อมีเมื่อพอเรารู้เรื่องฮิริมีองค์ประกอบ มันก็เป็นฮิริธรรมฮิรธรรมทันทีเลยเป็นธรรมะฮิริทันทีเลยเป็นความรู้จริงเลยแหละขึ้นมาทันทีสติมันก็เป็นเป็นสติขึ้นมาทันทีเลยมันจะน้อมเข้าไปสู่ความเป็นสมัมมาสติได้แค่แค่สองอย่างที่มันต่างกันอย่างเรากดน้ากูเราถามเราได้ความรู้มาว่าสติคือความระลึกได้อ้าวกับเราเอมือปฏิบัติอะระลึกอะไรอะ พระพุทธเจ้าบอกว่าระลึกในสติปัฏฐานทั้งสกายเวทนาจิตธรรมระลึกในกายมีส่วนไหนมั่งตั้งต้นตั้งแต่อาณาปานนะสี่ระลึกรู้วนลมหายใจเราก็นั่งปุ๊บทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราทําอย่างนั้นเพื่อทําความรู้จักกับสติในชั้นของการปฏิบัติเราก็นั่งนิ่งนิ่งยกจิต้าไปสู่ลมหายใจรู้ลมหายใจยังระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจของตัวเด่นหายใจออกรู้หายใจเขารู้อ๋อแล้วก็สองคู่สามคู่แล้วเราก็ลองหยุดดูแล้วมานั่งนึกเออ นั่นคือเออสติมันเป็นอย่างไรด้วยอ่าต่างกันไหมต่างกันแล้วใช่ไหมเออนั่นนะไอ้นั่นมันประกอบด้วยอะไรแล้วเนี่ยสติที่รู้ตอนนั้นมันประกอบด้วยอะไรมันเริ่มมีศรัทธาแค่เริ่มนะเริ่มมีศรัทธาเริ่มเริ่มสติเริ่มสมาธิเริ่มมีความมุ่งมั่นตั้งใจเริ่มมีความน้อมใจและก็ประกอบกับความเพียรแล้วเริ่มมีความบากบันเข้ามาแล้วนั่น แค่เริ่มเท่านั้นเองแล้วถ้ามาต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เพราะฉะนั้นวิชาคือความรู้ที่จะทำให้ถึงความสิ้นทุกข์เบื้องต้นจะต้องประกอบไปด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะวิริยะดังพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบอาชิตตมานบนั่นแหละมุท ธ, ธา อ, าอาวิชามุต ธ, ธาติวิชานาหิ วิชามุธาติปัตตานีสัทธาสติสมาธิฉันทะวิดีเยนะสังยุตตาแล้วก็เป๊ะพอมาใครควรพิจารณาแล้วก็เป๊ะตามนั้นเพราะฉนั้นเราควังแล้วดูโอ้ยสับมันเยอะมากบาลีก็เยอะมากเรื่องราวก็เยอะมากสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนอ่าสุดท้ายมันอยู่ที่ไหน สรุปทุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าไงจิตเตณนนิยติโลโกอยู่ที่ใจจิตตสะเอกธรรมัตสะสะเบวะวะสะมันวคูสรรพสิ่งที่เราพูดเรากล่าวถึงกันมาทั้งหมดนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งสิ่งเดียวสิ่งสิ่งนั้นคือใจมันโดภุพังขมาธรรมามนโนเสถามนโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สาเร็จด้วยใจ มานาซาเจปะทุตเถนะถ้าบุคคลมีใจไม่ดีทุกอย่างในชีวิตก็จะไม่ดีพูดก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีมานาซาเจประสันเถนะถ้าบุคคลมีใจดีทุกอย่างในชีวิตก็จะดีพูดก็ดีทําก็ดีเออนั่นพระเจ้ามันส ร, รุปมันเลยอยู่ที่ไหนแต่ใจนี้นะ่ะมันเป็นอะไร ทุกวันทุกวันในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ดูเถอะเราวุ่นวายอยู่เฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องใจอย่างอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่มีใจเพียงอย่างเดียวเราจะจบทุกเรื่องเลยในชีวิตในจั ก, กรวาลในโลกธาตุทั้งปวงถูกไหมเออในสภาพของใจของเรานี่มันเป็นสภาพแบบไหนอ่ะ พันนันจับพลังจิตตังตุรกขังทุนนิวารยังมันดิ้นรนกวัดแกวงกลับกรอกห้ามยากรักษายากสภาพของเขานะโอโหฟังดูแล้วท้อเลยใช่ไหม <c oughs> ครับฟังสภาพแล้วท้อเลยดิ้นรนกวัดแกวงกลับกรอกห้ามยากรักษาก็ยาก ยัตถากามะนี่ปาตนางังแล้วมีปกติไหลไปตามสิ่งที่มันชอบแบบธรรมชาติด้วยนะเอมันไหลไปในสิ่งที่มันคลา้ายเบมออ้าวแล้วเราไปเปิดอย่างนี้ได้ไมมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายมันนําอะไรมาให้เราทุ ก, กเออ <laughs> เนี่ยแสดงว่าพวกเราที่นี่ทั้งหมด เรามีจุดยืนของเราแล้วเป็นกรอบเป็นจุดยืนตามพระพุทธเจ้าแล้วจำไว้เลยกรอบที่สุดของมันคือทุกข์เราเรารู้ว่ามันดิน้นรนกลับกรอกกวัดแกวง่งรักษายากห้ามยากแลวมักจะไหลตกไปในสิ่งที่มันชอบสเบอรเลยมันไม่เคยอะไรอาวรต่อเรานะเออมันจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่มันชอบสะเบอเลยมันเหมือนมะเรงเม้า ที่บินเข้ากองไฟพอบินเข้าไปปับ๊บปีกเป็นไงควยายไหมปีกแล้วร่วงลงอยู่มาเห็นแสงไฟไม่บินไม่ได้แล้วทําไงทีนี้เดินไปไหนไปหากองไฟอีกเอา้าปีกขาดแล้วนะไปหากองไฟผูเชียวปับ๊บไหมไปขามันมีหลายขาไหมขาดเป็นต่าขาสองขาก็เด่นออกมายังเหลือขาไม่ครบแล้วนะยังตะเกียกตะกายไปไหน หาของไฟอย่างเดิมเนี่แหละที่เขาเรียกก็เหมือนมาเรงเม้าบินเข้าไฟเนี่ยอาสภาพจิตของเราเป็นแบบนั้นยัตถากามานนี่บางทีมันมีปกติไหลไปในสิ่งที่มันชอบมันจะเกิดเอฟเฟกส่งผลให้กับชีวิตของเราย่อยยับแค่ไหนแค่ไหนสุดท้ายมันก็ยังจะไปหาสิ่งที่มันชอบอยู่นั่นแหละและเราจะห้ามไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าทุนนิวรยังจะห้ามให้ไม่ห้ามยาก จะรักษาไว้เพื่อไม่เป็นอย่างอื่นก็ยากพันดนังดิ้นรนจะพลังกลับปลอก <c oughs> ควางดูแล้วมันหน้าทอเลือนนะหน้าทอเลืเ่อนมันหน้าที่ของเราผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธเจ้าแล้วรู้เรื่องเราอย่างนี้แล้วเห็นตามจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วหน้าที่ของเราจึง อีทางทุกขันติกรณียบำเพ็ญเพียรเพื่อให้รู้ว่านีทุกข์ละเอาขึ้นมาก่อนละขัดเกลาจิตใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะต้องขัดเกลาจิตตามที่พระพุทธเจ้าสอนละ่ะจิตที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เกิดการขัดเกลามันเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของสามเรื่องหนึ่งอะไรแข็งแรงฮะสติสอง สามเออไอ้ที่เราต้องต้องอ่อน อ, อ่ อ, อนด้อยจมปลักอยู่กับหลุมของวัสสะทุกนี้เพราะอะไรเพราะความอ่อนแอของสติอ่อนแอของอ่อนแอของแล้าพระพิจารณ์เลยบอกว่ายัสะพิกเวสมาธิสะผู้ดใด อบรมให้มากทําให้มากซึ่งสมาธิใดเมื่ออบรมแล้วทําแล้วยังกายไม่หวั่นไหวยังจิตให้ไม่หวั่นไหวนิกามะลาภีจะถึงสมาธินั้นโดยโดยปรารถนาอากิตชะลาภีจะได้สมาธินั้นไม่ยาก อากาศิระลาภีจะได้สมาธินั้นไม่ลำบากอะไรวะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่ออาณาปานาสติสมาธิภิกขเวพาวิโตภูรีกโตภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วสั้นโตเจวะจะให้เกิดความสงบ ปานีโตเกินความปราณีตอเซจนกโกจะให้เกิดความชื่นใจเอออเซจนาโกจะให้เกิดความชื่นใจสุขะวิหาโรจะทำให้อยู่เป็นสุขในขณะในขณะตัวสุดท้ายอุปนุปปนเนจะ ปาปเกอกุสเลธทัมเบอันตราเปติวูปะสเบติและจะทำให้บาปอากุสนที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นนั้นอันตรทานหายไปสหบไปด้วยด้วยเหตุนี้จึงเอาอาณาปานสติมาเป็นตัวฝึกฝนจิต โดยการใช้ใจเป็นตัวฝึกฝนเอาร่างกายเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องมือแล้วตามที่พระพุทธเจ้าสอนและพระเจ้าพูดแบบนี้นี่ยมมาใหม่ใช่ไหมพระเจ้าพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วทิ้งนะปล่อยให้ผู้ควางเฟ้งฟางรร้ที่พึ่งไม่พระองค์สอนต่ออีกว่าอนาปานสติ อันบุคคลอบรมอย่างไรจะเริญนอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงมีผลมากพระพุทธเจ้าก็เลยท้าว่าต่ออารัจกโตวรุกขมูลักโตวทุนยาคารกโตวเหมือนไอ้พวกเราที่มาบ่อยๆก็จะชินกับคำพูดนี้นะว่าไปอยู่ในป่าก็ตามคนไม้ก็ตามเรือนรังก็ตาม บร ล, ลังกังอาพุทธิจิตวานิสีดตินั่งคูบา ล, ลังนั่งอย่างที่เรานั่งอุชุงกายยังปานิทายะตั้งกายให้ตรงมีความไปตามลำดับนะสองสเต็ปแลยนะนั่งคูบา ล, ลังแล้วก็ตั้งกายให้ตรงจากนั้นสติงเงยบริมุกั้งอุปเตเปตวาดำรงสติอยู่เฉพานะหน้า คือโน้มจิตที่มันคิดเรื่องราวต่างๆกลับมาอยู่เฉพาะซึ่งหน้าของตนจากนั้นโซสโโตัววะอสตีสโตปัตติิก็เริ่มรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าเห็นไหมทุกอย่างมันมันมันขมวดเข้ามาขมวดเข้ามาขมวดเข้ามาขมวดเข้ามาตอนนี้มาอยู่ที่ไหนแล้วกับลมหายใจแล้วรู้สึกกับลมหายใจไหลออกรู้สึกกับลมหายใจไหลเข้าแล้วนี่พระเจ้าก็ตัดต่อเลย ทีครั้งว่าอัสฉรสัตวโตดีครั้งอัจรสามีติประชานาติเมื่อลมหายใจยออกยาวก็ให้รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวทีครั้งว่าปาาัสฉรสัตวโตทีครั้งปัจิสามีติประชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวตรงไหม มีอะไรสงสัยไหมมีอะไรสงสัยไหมนี่แหละของพระเจ้ามันไม่ต้องไปตีฟารมได้สองประโยคนี้ปฏิบัติได้ชาติหนึ่งแล้วรัตสั่งวาอัจฉรสั่าโตรัฐสร้างอัจสาิสมีติประชานาติคือเมื่อหายใจออกยาวเมื่อหายใจออกไอข้าวยาวเมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสัน้น รัดสงวาปัสสั้นตัวรัดสรางปรสสามีติมชานติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นมันยากตรงไหนหายใจออกก็คือลมในที่มันดันออกมาตั้งแต่เริ่มต้นไหลจนสุดลมหายใจใช่ไหมเออมันยาวเราก็รู้ตามที่มันยาวมันสั้นเราก็รู้ตามที่มันสั้น น, นี่นั้นเอา้าในตัวรู้นันมีอะไร พอปอย่างนี้ปั๊บลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตก็รู้ลมหายใจดูไงมันมีอยู่สองอย่างแล้วเนี่ยอานาปาณสติสมาธิรู้ลมหายใจรู้ไปรู้ไปจิตที่รู้ลมหายใจเอาตัวรู้ก่อนถ้าเรารู้อย่างอื่นรู้อย่างอื่น รู้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจรู้ไปข้างนอกนี่ที่เรารู้กันอยู่เนี่ยมันจะมีความหมายใช่ไหมในรู้นั้นมีสามอย่างที่เกิดขึ้นทุกทุกรู้ก็คือหนึ่งสุขสองทุกสามเฉยเฉยได้ยินเสียง เกิดความรู้สึกขึ้นสามอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหนึ่งคือรู้สึกเพราะสองไม่เพราะสามเฉยเฉ ย, ย <c oughs> เห็น ไ, ไอความรู้สึกตั้งสามเรื่องนี้มีตัณหามาหน้าทิฏฐิพันวดอยู่แต่พอเรารู้ลมหายใจพอลมหายใจจะออกปั๊บจิตรู้หายใจปั๊บรู้รู้ที่มันซื่อกับสิ่งที่ถูกรู้ ซือกับสิ่งที่ถูกรู้พระพุทธเจ้าเรียกอนิสิตาคือไม่มีไม่มีตัณหามาณทิติอาศัยอยู่ในรู้นั้นพอลมล่มเคลื่อนปั๊บรู้กลางลมรู้สุดลมรู้ลมหยุดรู้จบไม่มีตัณหามาณทิติอยู่ในนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อยเรืเรื่อยเืเรื่อยเรืย ภูมิจิตเราก็จะเปลี่ยนทันทีทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอาการที่จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกเมื่อตะกี้ที่บ่ากล่าวไปก็คือสั้นโตคือสะบบปณีโตปราณีตอาเซจนาโกชื่นใจอาการชื่นอาการใจมันชื่นใจอาการมันชื่นใจแล้วก็สุขวิญญาโรจะเกิดความเป็นสุขในปัจจุบัน แล้ถ้ารู้อย่างนี้ไปอีกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายที่แปรเปลี่ยนขึ้นมาเพียงแค่ว่าเหมือนเราเดินทางนั่งรถไฟตีตั๋วจากหัวลําโพงอีกหน่อยถ้าว่าเขาย้ายจากหัวลำโพงไปที่อื่นเราก็เปลี่ยนกันนะแต่ตอนนี้หัวลำโพงก่อนเราตีตีตั๋วรถไฟจากลำโพงแล้วก็นั่งรถไฟเพื่อไปเชียงใหม่เรามีตั๋วรถไฟเราขึ้นนั่งบนขบวนแล้วแล้วเราต่นั่งไป อ่แล้วก็ผ่านตรงไหนบางซื่อผ่านไปเรื่อยออกสระบุรีอะไรไปเรื่อยเรื่อยเืยรื่อยืืยยแล้วก็เราเห็นวิวเห็นภาพเห็นโลกเจ้าสถานที่นั่นนั่นไปเยอะเยอะเยอแล้วก็แค่รู้แค่ดูแค่เห็นแค่รู้แค่ดูแค่เห็นเท่านั้นเพราะเราไปไหนเราลงจากรถไฟไม่ได้ถูกเป่าเราต้องไปเชียงใหม่ส่วนใหญ่มันลงจากรถไฟใช่ไม และเรามาคุยกันด้วยเรื่องอะไรส่วนดอกไม้ที่สระบุรีแอ่งน้ําที่แก่งคอยเรามากูหมว่าถียงกันเนี้ยหารู้ไหมว่าตอนนั้นตัวเองอ่ะร่วงลงมาจากรถไฟแล้วการเดินทางของตัวเองสิ้นสุดแล้วยุติลงแล้วเหมือนกันจิตที่รู้ตอลมหายใจ รู้ไปเรื่อยๆรู้ซื่อๆไปเรื่อยๆจิตเป็นอนิสิตะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าสาภาวะสาภาวะใดๆที่ปรากฏจิตกาหนดอย่าหุนหันแค่ดูแล้วรู้ทันจึงหันมารู้ลมนั่นนั้นเออที่เขียนไว้อะจาได้ปะสิ่งใดๆที่ปรากฏจิตกาหนดยาหุนหันแค่ดูและรู้ทันแล้วจึงหันมารู้ลม มันแค่รู้ว่ามันแค่เกิดขึ้นอา่าวเรามานั่งรถไฟนะ่ะพอไปผ่านปับ๊บอา่าสมมติว่าไปเห็นสวน ด, ดอกไม้ที่สระบรุรีสวยมากรถมันเลยไปตั้งสองสามกิโลแล้วใช่ไหมมันยังแหงนมาคอจึงจะเค็ดอยู่แล้วมันก็ยังแหงนอยู่นั้นเพราะมันติดใจในความสวยอันไว้ไม่อยู่พอรถจอดสถานีหน้าลงเลยเพื่อที่จะกลับมาที่สวนนั้นใครอย่างนี้อ่ะ อย่างนี้ก็เรียกว่าเรานั่งแล้วเราก็ไปลงในสภาวะนั้นคนที่มีเป้าหมายคือความสิ้นทุกข์จเจริญสติเพื่อให้มีสติสมาธิและปัญญามีกำลังที่แข็งแรงสำหรับที่จะเห็นสภาวธรรมทั้งหลายที่มีเพียงแค่การเกิดและการดับหรือเป็นอนัตาตานั้นจะรู้ซื่อมุ่งถึงตรง ขอบของมันจุดเป้าหมายของมันจะไม่วอกแวกและเรายิ่งปฏิบัติอย่างนี้ยืนหยัดอย่างนี้มั่นคงอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นจะทาให้ยิ่งเรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นวิริยะเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นมีกาลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการเดินทางของเราจึงตรงและถึงที่หมายแม้นว่าไม่ถึงที่หมายโดยทันทีแต่เราก็รู้ชัด เราจะไม่มีคําถามว่าแม่น้ําที่ตรงทางตรงนั้นผ่านชื่อแม่น้ําอะไรเพราะมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วพร่อเราไปไหนเชียงใหม่เออไอ้ตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงเ อ, อเมื่อกี้มันรู้ๆลมหายใจอยู่แล้วมันมันเกิดว่างขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันหายไปแล้วไอยเสียดายมันไม่คุยอย่างงี้แนละ้ว มันไม่คยอย่างนี้เพราะมันรู้แล้วว่าอาการที่จิตน้อมเข้าไปลึกลมหายใจนั้นเป็นสติลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตนั่นเป็นสติต่อเนื่องขึ้นไปเป็นสมาธิอะไรที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจิตเพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันดับไปจิตเพียงแค่รู้ว่ามันดับไปแล้วก็รู้ลมหายใจของเองต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆและจักขยันมากในการดูลมหายใจเนี่ยฉันทะวิริเยนะสังยุตตา มันจะมีความสดชื่นมีความพอใจมีใจที่น้อมเข้าไปเพื่อให้เกิดความเพียรในการที่จะดูลมหายใจของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดูลมหายใจของตัวเองได้ทุกขณะเลี้ยงลูกก็ดูได้ทำงานก็ดูได้นั่งรถเบยกก็ดูได้นั่งรถเก๋งก็ดูได้กินข้าวก็ดูได้รู้ลมหายใจของตัวเองได้โอ้ยหลวงพ่อคนลมจะทำอะไรได้ขนาดนั้น ทำงานโน้นโนจนเมือนู่นนี้ได้ทำไมมึงกินกาแฟมึงยังเลือกด่าถึงไงคนอื่นได้เลยฮะกินกาแฟไปด้วยเล่าความขวัญให้คนอื่นความได้ด้วยไว้ใช่เปล่าเออมันทําพอพอจะให้ดูล้มหายใจด้วยทําอย่างอื่นด้วยมันทําทําได้เลยแต่คืออะไรที่จะพอจะเป็นธรรมะแล้วมันยากอะไรที่ทํากับกินเล่แล้วมันง่ายแมถ้าเราฝึกประจําอะ ฝุกบ่อยๆนะฝึกประจำฝึกบ่อยๆฝึกประจาฝึกบ่อยๆมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ยากเมื่อจิตมีเครื่องอยู่คือลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักอ่ะอะไรจะเกิดล่ะทีนี้อะไรจะเกิดหันหลักของจิตคืออยู่กับลมหายใจเรียกว่าแต่เดิมเขาไม่มีไงมันไม่มีที่อยู่ไม่มีเครื่องอยู่หลักเพราะไม่มีเครื่องอยู่หลักมันก็ต้องอยู่กับลูกอยู่กับเพื่อนอยู่กับ ภรรยาอยู่กับสามีอยู่กับบ้านอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับหมากับแมวกับนกบางคนก็ไม่มีอะไรจะอยู่แล้วเว้ยต้องไปหาไอ้กิ้งก่ามาเลี้ยงเพื่อหาเครื่องอยู่ <c oughs> ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหานูน่นหานี่ไอ้สเปทสปาไปหมดสาเหตุเพราะอะไรเพราะใจไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีเครื่องอยู่ลอนั่งรถเพลิเพลิเวลาว่างอย่างเดียวว่างไม่ได้นะ เพราะใจมันอยู่นิ่งไม่ได้ไงมันต้องมีเครื่องอยู่เข้ามันพอนั่งขึ้นรถปับนั่งรถปับเอานอกจากหลับเออถ้าหลับก็จบกันไปพอโรคส่วนตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วหันไปถามว่จับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นบนรถเบให้เราดูนอกจากคนที่หลับแล้วที่เหลือก็คือนั่งเล่นโทรศัพท์นี่ไม่ใช่อะไรเพราะอาการของใจที่เขาไม่มีเครื่องอยู่เขาจะต้องมีเครื่องอยู่ก็ต้องอยู่กับอะไรสักอย่างนึง แต่เมื่อเราฝึกจนเขามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ที่นี้มันก็สบาย้วเพราะลมหายใจเราไปที่ไหนเราก็ต้องหายใจใช่ไหมถ้าเราไม่หายใจไปไงาตายพระพุทธเจ้าสอนอนาบานสีนี่เป็นอาการสอนที่ที่เป็นธรรมชาติมากและถูกกับจริตได้ทุกๆุกจริตเลยเพราะเรานับถือพระพุทธเจ้าเราอยากเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราทำไง ดูลมหายใจถวายตัวเป็นลูกของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดิฉันนางสาวนั้นนามสกุล น, นั้นนายนั้นนามสกุล น, นั้นขอถวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระองค์และก็จะขับเคลื่อนชีวิตนี้ด้วยการอยู่กับลมหายใจพอนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ไม่ได้แล้วเว้ยต้องดูลมหายใจไว้ก่อนพระพุทธเจ้าสอนไว อยู่กับลมหายใจดูกับลมหายใจให้คุ้นไว้เลยเรื่อยืยทีนี้พอมันมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นธรรมชาติแล้วทีนี้เป็นธรรมชาติแล้วสิ่งต่างๆนอกจากนั้นเป็นงานอะดีเรก ข, ของจิตที่ถูกทำด้วยสติอ้าวเมื่อก่อนเราไม่มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่สิ่งต่างๆนั้นเป็นหานหลักของจิตที่ถูกทำด้วยอารมณ์เข้าใจไหมแต่พอจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ เว่าอัตตาทีปะมีมีตนเองเป็นที่พึ่งแล้วอัตตาทีปะมีตนเองเป็นเกาะแล้วมีมีจิตมีเครื่องอยู่เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเรื่องต่างๆที่เขาจะทำเขาจะเป็นทำด้วยกลไกของอะไรของสติอะไรมันจะดีกว่าล่ะทีนี้เรื่องที่ทำมันจึงมีความรอบครอบเพิ่มขึ้นเพราะอำนาของสิใช่ไหมแล้วมันก็มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขึ้นเพราะเป็นสมาธิเพิ่มขึ้น แล้วมันมีความมั่นคงด้วยอำนาจของความเชื่อแล้วมันมีความสุขเพราะอำนาจของฉันทะที่มันมีการน้อมใจเข้าไปทำเออแล้วมันมีความเพียรที่มีความบากบั่นอย่างต่อเนื่องไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่รู้สึกราคาญไม่รู้สึกท้อแท้ในการทำเรื่องเหล่านั้นนั้นมันจึงเป็นงานที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกาลังของสติแต่พอเสร็จเรื่องนั้นปั๊บจิตจะไปไหน เสร็จจากเรื่องนั้นปั๊บจิตจะไปไหนฮะมันก็จะกลับมาที่ลมหายใจเองอืมเพราะอะไรเพราะลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของมันอ้าวเข้าใจไหมเออแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่หลักพอเสร็จจากทํางานตรงนั้นไปนไงมันก็ไปหาทำหาที่อยู่ของมันจนได้แหละแล้วที่อยู่ที่มันจะหานั้นหนีไม่พ้นกับอะไร ยัถะกามาานิปปัตินังมันจะไหลไปสู่สิ่งที่มันชอบมันในขณะนั้นมันนึกชอบอะไรนะมันก็จะหาอย่างนั้นมันนึกชอบอะไรมันก็เนื้กหาอย่างนั้นมันนึกอยากอะไรมันก็จะหาอย่างนั้นหาอย่างนั้นหาอย่างนั้นที่ว่ายัตถากามะาานิปปัตินัง <S 1> <S 1> แต่เมื่อใดที่เขายกกลับมาสู่จิตจิตเป็นที่อยู่หลักเอ้ยยกกลับมาที่ลมหายใจลมหายใเป็นเครื่องอยู่หลักเขาจะซื่ออกับลมหายใจลมหายใจออก สามตอนสามขยักจนออกออกออกมันก็รู้อย่างนั้นน่ะมันจะซื้อตามความเป็นจริงของเราหายใจมันก็อยกากก็อยากออกไปอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดจากการปฏิบัติและที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะหนึ่งอนิสิตโตสองอัญญะมะเหธยาโด ในขณะที่มันรู้อยู่ว่ามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลกักรู้ลมหายใจแล้ว น, นอกจากเป็นอ น, นิสิตาเนี่ยคือไม่ปล่อยให้ชีวิตขับเคลื่อนด้วยการไปบำรุงส่งเสริมอาสะวะแล้วอัญญะมเหธยาโนจะไม่มีการเบียดเบียนใครจ ะ, จ, ะจะชัดเจนมากเลยจะไม่เบียดเบียนใครนะอุ ป, ปะวเดยะกันจิจะไม่มีการว่าร้ายใคร นี่ชัดเจนมากตรงนี้ถามว่าที่อัตมาพูดนี่เชื่อได้ไหมอย่าบอกว่าอัตมาพูดนะพระพุทธเจ้าพูดนะพะุทธเจ้าสอนนะอัตมาม า, าขยายความให้ความอีกทีนึงเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเชื่อได้ไหมเอาลองดูสินั่งตัวนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงยกจิตเข้าไปรู้ลมหายใจหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกเป็นยังไงรู้อย่งงางนั้นลมหายใจเข้าเป็นยังไงรู้อย่างงาั้นรู้ก็ไปสิในขณะที่รู้ลมหายใจมันด่าใครได้ ถ้จิตซื่ออยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจเนี่ยมันเบียดเบียนใครฮะในขณะที่เขรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าตั้งแต่ลมต้นลมกลางลมและสุดลมในระหว่างนั้นที่ลมหายใจไหลออกจิตรู้สึกกับลมหายใจรู้รู้ที่รู้ขณะที่ลมไหลออกนั้นมันจะมีตัณหามาณาทิฐิตรงไหนแค่ยกจิตก็ไปสู่ลมหายใจรู้ลมหายใจก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเป็นไง จริงเออแล่ถ้า พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มันต่อเนื่องสิอนุโยคายะสาตต อ, อสาตตาจายะคือให้มันต่อเนื่องทำบ่อยๆนะทำต่อเนื่องนะทำนานๆนะมันจะการเปลี่ยนแปลงโหรแลจิตของคนเราเนี่ยนะคิดดูสิมันรู้อย่างเงี้ยรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆๆมันอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นสติสมาธิใช่ไหมเอา้าในทางของกิเลส กิเลสอบรมเพราะเรามาจนถึงวันนี้ให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เขาทํากับเราอย่างไรมันก็ทำอย่างเดียวกันเลยคือให้เราอยู่แตบมันน่ะชาวมันก็ให้โกรธเย็นมันก็ให้เกลียดมันเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวหลงเดี๋ยวงอนเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้จนทําให้เรากลายเป็นคนอะไรขี้โกรธให้เราเป็นคนขี้อิจฉา ทำให้เราเป็นคนขี้โบโหโทําให้เราไอ้ขี้ขี้ทั้งหลายแหล ะ, และมันมาจากการที่กิเลมันอบรมเราแบบย้ำเล้วย้าแล้วย้าแล้วบ่อยบอยบอยๆทั้งนั้นน่ะอาการจิตของเราก็เปลี่ยนแปลงออกไปเปลี่ยนแปลงออกไปตามการที่กิเลมันอบรมเราเราก็หันกลับมาเชื่อพระพุทธเจ้าทาําตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาจิต เขาไปรู้ลมหายใจแล้วก็อบรมบ่มเพราะมันลงไป บ, บรมบ่มเพราะมันลงไปอบรมบ่มเพาะมันลงไปอบรมมันลงไปลงไปแล้วก็มันก็กลายเป็นอ้าวมันก็เหมือนกันเลยอะสะติสมาธิก็ต่างกันนี่เรื่องง่ายง่ายซื่อๆเลยอืมเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันจึงมาสรุปลงอยู่ที่ที่ใจของเราน้อมเข้าไป เพื่อการที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละอาวกับบรริยายตอนเชา้าพอเท่านี้ไอ้พอรพักสิบนาทีสิบนาทีนะห้องน้ำมีทั้งล่างบนเสร็จแล้วกลับมานั่งจเจริญสติกัน